จุดอ่อนของพวกเราชาวพุทธนะนักปฏิบัตินะีในรุ่นเราที่หลวงพ่อเห็นนะคือเราไม่ได้เรียนเรื่องไตรสิกขาโดยเฉพาะเรื่องจิตสิกขาเนี่ยไม่ได้เรียนเอาเลยไม่เห็นว่าจําเป็นด้วยพอไม่ได้เรียนเรื่องจิตสิกขาเนี่ยเราจะขาดสมาธิที่ถูกต้องงเวลาที่เรานั่งสมาธินะบางทีมันกลายเป็นมิจฉาสมาธิสงบนะ แต่นิ่งๆอยู่งั้นมันจะไม่เดินปัญญาต่ตอแล้วซึมๆไปทีก็สบายอยู่งั้นได้หลายๆปีพอสมาธิเสื่อมเนี่ยอารมณ์จะร้ายอารมณ์จะแปรปรวนมากกว่าคนปกตินพวกนี้ทำสมาธิแต่เป็นมิจฉาสมาธิไปเลยอีกพวกหนึ่งไม่เรียนเรื่องจิตสิกขาอยู่ๆก็กำหนดรูปนามเลย ไปกำหนดรูปนามทําวิปัสนาเลยคล้ายๆล้าเลยบทเรียนของพุทธเจ้าเรื่องจิตศกขาไปเน่องจิตไม่มีคุณภาพถึงไปเจริญวิปัสนาเนี่ยก็ไปเจริญด้วยจิตที่ไม่มีคุณภาพไม่ได้เป็นวิปัสนาจริงเห็นรูปเห็นนามไม่เห็นเช่นเห็นท้องพองเห็นท้องยุบนะเห็นยกเท้าย่างเท้าเห็นแต่มันเห็นแค่รูปมันไม่ทะลุไปเห็นไตรลักษ วิปั ส, สนาไม่ใช่การเห็นรูปไม่ใช่การเห็นนามแต่เป็นการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะของของรูปธรรมนามธรรมา ท, ที่ประกอบกันเป็นตัวเรานี่พอเราไม่ได้เรียนตามลําดับที่ผู้เช่าสอนจิตของเราไม่ควรแกการงานถ้าไปอ่านในพระไตรปิฎกจะมีคําว่าจิตเบานะ อ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานแล้วก็โน้มน้อมจิตนี้ไปเพื่อหยาดทัศนนะโน้มน้อมจิตไปเพื่อหยาดทัศน์เป็นขั้นเดินปัญญาเังนนก่อนจะเดินปัญญาต้องมีจิตสมาธิที่ถูกต้องก่อนเมื่อเช้าหลวงพ่อพูดเรื่องสิรศิขาไปนี้เราจะขึ้นเรื่องจิตสิก ข, ขาถ้าไม่มีจิตสิก ข, ขาเราจะไม่ได้สมาธิที่ถูก เมื่อไม่มีสมาธิที่ถูกจะเดินปัญญาไม่ได้ไม่ใช่สมาธิทุกชนิดทำให้เกิดปัญญาสมาธิส่วนใหญ่ไม่ทำให้เกิดปัญญานะมีสมาธิของพระเจ้าที่เรียกลักขณูปนิชฌานนะทำให้เกิดปัญญาเจ้า ช, ชายสิทธัตถาตอนเด็กๆอายุไม่กี่ปีบางคนว่า3ปีบางคนว่า7ปี3นะปีก็เล็กไปหน่อยนะแต่เปี พี่เลี้ยงไปวางไว้ใต้ต้นไม้ก็น่าจะลุกขึ้นเดินไปดูอะไรได้เองนี่ไม่ไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้มาใต้ต้นว่านะพวพี่เลี้ยงไปดูพระเจ้าสุทธโธทนะแลกหนักหวันเจ้าชายสุทธาโยงเดียวนะลุกขึ้นนั่งสมาธินะธรรมะนัสปาสติได้ปฐมฌาน้นะ็จบตรงนั้นต่อมาท่านออกบวชอายุ29ออกไปบวช เก็ไปหาฤาษีท่านก็คล้ายๆพวกเราแหละทันทีที่นึกเรื่องการปฏิบัตินะก็คิดถึงการนั่งสมาธิงานแรกที่คิดถึงนะสำหรับคนทั่วๆไปเพรืะฉะนเจ้าชายสิทธัตถาก็เหมือนพวกเราอย่างเงี้ยทันทีที่คิดจะปฏิบัติทำนะก็คิดถึงการนั่งสมาธิก็ไปเรียนจากฤาษีเรียนได้ชั้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดจบหลักสูตรในเวลาไม่กี่วันและท่านก็สรุปว่านี่ไม่ใช่ทาง เไปทรามานตัวเองอยู่หลายปีเวลาส่วนใหญ่นั้นเอาไปทรามานตัวเองจนกระทั่งไม่สำเร็จผ่านไปหกปีท่านะระลึกถึงสมาธิดั้งเดิมตอนเด็กๆได้ท่านก็ทำสมาธิอย่างนั้นขึ้นมาใหม่จนกระทั่งเข้าไปถึงชานที่4ชาน4ี่เนี่ยมันครอบคลุมไปถึงอรูปฌานอีกสี่นะรวมแล้วเป็นแปดอรูปฌปานก็คือฌาน4ี่นั่นแหละ แต่เป็นชาญสี่ที่ไม่มีรูปท่านทำไปถึงชาตที่สี่นะแล้วก็โน้มน้อมจิตไปเพื่อยานทศนะท่านมาดูปฏิจจสมุ ป, ปบาทนี่ทำงานอยู่ในใจท่านมาดูกระบวนการของปฏิจจสุบัติเป็นบรรลุพระอราหันต์ปัญหามันอยู่ที่ว่าทำไมสมาธิบางทีก็ถูกสมาธิบางทีท่านว่าผิดไม่ใช่ทาง ไปหัดเข้าฌา น, นแปดนเสร็จแล้วก็บอกไม่ใช่ทางมาเข้าเองนะหนึ่งสาม่ก็คลุมไปถึงแปดด้วยก็ได้แต่ก็ถือว่าเป็นฌาน4ทํทำไมอันนี้ถูกอันหนึ่งผิดเพราะฌานมี2ชงานชานที่ที่ดีนะมี2ชานนะานที่เร็วไม่มีหรอกสมาธิเร็วๆมีแต่ไม่ถึงฌานอย่างนั่งสมาธินะสมาธิแยกเป็น2กลุ่มใหญ่ก่อน สัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสตินั่งเราก็ลืมเนื้อลืมตัวขาดสติที่ก็เคลิมเคลิมเห็นโน้นเห็นนี้ไปสนใจของข้างนอกไปเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์ออกไปข้างนอกส่วนสมาธิที่ดีที่เป็นสัมมาสมาธินะียังมีสองชนิดอีก อันหนึ่งเรียกว่าอารามณูปนิชานอันหนึ่งเรียกว่าลักขณูปนิชานถ้านักปฏิบัติทําได้ทั้งสองอย่างดีที่สุดถ้าทําได้อันเดียวให้ทําลักขณูปนิชานเพราะขึ้นวิปัสสนาได้อารามณูปนิชานขึ้นวิปัสสนาไม่ได้ทั้งลักขณูปนิชานทั้งอารามณูปนิชานนี้มีสติไม่ใช่ขาดสติมีสติแต่อารามณูปนิชานอา ร, รามะแปลว่าอา ร, รมณ์คนไทยใช้คําว่าอารมณ์แขกเรียกว่าอา ร, รมณ์ อารมณ์นะจิตจะไปจดจ่อสติได้ไปจดจ่ออยู่ที่ตัวอารมณ์จิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งสติจดจ่ออยู่ที่ตัวอารมณ์จิตจไปจับนิ่งอยู่กับตัวอารมณ์อารมณ์อันเดียวจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเช่นเราพุโทโธพุธโทโธจิตจับอยู่กับพุโทโธไม่มีไปไหนเลยนี่เป็นอารมณูพนิชาน เราธรรมานาพนสติจิตจับอยู่กับลมหายใจเป็นอารามณูปนิชฌานเราดูท้องผ่องยุบจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องไปเกาะนิ่งอยู่ที่ท้องเป็นอารามณูปนิชฌานอ า, ะะอารมณ์อารมณ์เนี่ยไม่ใช่อิมูชันอารมณ์หมายถึงตัวอ็อบเจกต์หมายถึงสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตเป็นตัวซับเจกต์ผู้รู้อารมณ์เป็นของที่คู่กับจิตนี่คืตัวอ็อบเจกต์ เดี๋ยวนี้เรียนฟังบาลีอย่างเดียวไม่ค่อยเข้าใจเติมภาษาอังกฤษนะอีกหน่อยก็จะหาภาษาจีนด้วยนะคนจีนมาเรียนเยอะจิตกัรอารมณ์เป็นของคู่กันที่ใดมีจิตที่นั่นต้องมีอารมณ์ที่ใดมีอารมณ์ที่นั่นต้องมีจิตถ้าไม่มีอารมณ์นียจิตจะแสดงตัวออกมาไม่ได้จิตเป็นคนไปเห็นอารมณ์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไปเห็นเขา เพราะฉะว่าอารมณ์อารมณ์ในทางปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่อารมณ์อย่างที่ชาวโลกก็เป็นนะมีอารมณ์รักอารมณ์อะไรเงี้ยนันั่นอิมชันร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายก็เป็นอารมณ์ของจิตนะการหายใจออกหายใจเข้าเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าก็เป็นอารมณ์ของจิตอารมณูป น, นิชานเนี่ยคือจิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะนี่วิธี ทำนะคือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขถ้าจิตอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขอันเดียวนะจิตจะไม่สนไปที่อื่นจิตจะได้พักผ่อนนั้นสิ่งที่ได้มาจากอารมณูปนิชานนะคือความสงบความสบายมีความสุขได้พักผ่อนจิตจะได้พักผ่อนสดชื่นมีเรี่ยวมีแรงคือการทําสมถะกรรมฐานนั่นเองนะงั้นถ้าเราไม่ได้พักผ่อนเลยจิตเราฟุ้งตลอดเวลาจิตจะไม่มีแรงนะก็ไม่ดีหรอก นันควรจะฝึกถ้าทำได้ทั้งอารามนูปณิชานทั้งลักขณูปณิชานนี่สมบูรณ์ที่สุดถ้าไม่ได้อารัมนูปณิชานได้แต่ลักขณูรนะักณูปนิชานเอาไว้ทำวิปัสสนาเนะี่ยนานไปมันเหนื่อยบรรลุพระอรหันต์ได้นะแต่ไปแบบแห้งแรงเรียกสุขพวิปัสสกะเป็นพระอรหันต์ชนิดแห้งแรงไม่สดชื่นในระหว่างที่ภาวนา อรามนุปนิชานนะจิตสงบอยู่ในโรมันเดียวโดยไม่บังคับไว้ไม่ต้องบังคับธรรมชาติของจิตจะฟุ้งซ่านตลอดเวลาฟุ้งซ่านไปทางไหนฟุ้งซ่านไปทางตาเดี๋ยวก็วิ่งไปดูฟุ้งซ่านไปทางหูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังฟุ้งซ่านไปทางจมูกวิ่งไปดมอยู่ที่กลิ่นฟุ้งซ่านไปที่ลิ้นนะก็ไหลไปที่รสนะลงไปอยู่ที่รส อย่างเวลาเรากินของอร่อยเนีเรารู้รสหรือเรารู้ลิ้นเรารู้รสใช่ไหมกินของอร่อยอร่อยหูอร่อยอะไรถ้ามารู้ที่ลิ้นสิไม่รู้รสนะขาดทุนไม่ได้กินของอร่อยเวลาที่ตาเรามองเห็นรูปยังเห็นสาวสวยเดินมาใจเราไปอยู่ที่สาวสวยหรือใจเราอยู่ที่ตาใจเราไปดูที่รูปใจไปอยู่ที่สาว แน่ใจเราหนีออกข้างนอกนะออกไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสตลอดเวลาอยู่เฉยๆก็คิดเวลาที่เราคิดเรารู้เรื่องราวที่คิดเรื่องราวที่คิดก็เป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เขาเราไม่รู้ว่าจิตกำลังคิดเราเห็นรูปเรารู้แต่รูปเราไม่รู้ตาเราได้ยินเสียงรู้แต่เสียงไม่รู้หูนะ เราไม่รู้จมูกไม่รู้ลิ้นไม่รู้กายไม่รู้ใจแต่ไปรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะสิ่งที่มากระทบกายรู้ธรรมารมคือเรื่องราวทางใจและใจจะฟุ้งซ่านตลอดเวลาเวลาที่นั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยสังเิตไหมบางทีใจก็วิ่งมปที่หลวงพ่อบางทีก็เนี่ยมันวิ่งมาที่หลวงพ่อตามมามองหลวงพ่อแล้วก็ฟังวิ่งไปฟัง ฟังสองสามคำก็วิ่งไปคิดฟังกับคิดสลับกันตลอดเวลาเลยสังเกตไหมว่าฟังกับคิดสลับกันเนี่ยจิตเราวิ่งไปทางนี้ทีวิ่งไปทางนี้ทีตลอดเวลานะคนทั่วไปไม่เคยเห็นเลยจิตมันวิ่งอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วนะจิตมันวิ่งไปเพราะอะไรเพราะมันหาอารมณ์ที่ชอบใจแล้วมันไม่ได้อย่างใจหรอกเดี๋ยวมันก็วางอารมณ์นั้นไปหาอารมณ์อื่นต่อ งัจิตจะแผลซ่าก์นะวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อจะไปหาอารมณ์ที่ชอบใจแต่หาไม่ได้อย่างใจสักทีไปดูอะไรสวยๆเดี๋ยวก็เบื่อดูแล้วก็ไม่ได้ดูอย่างเดียวนะดูไปคิดไปวันนี้กลับบ้านหรือถ้าไม่ได้กลับบ้านนะวันไหนกลับบ้านไปดูทีวีให้สังเกตให้ดีระหว่างดูทีวีนะเดี๋ยวตาก็ดูภาพในจอเดี๋ยวหูก็ฟังเสียงเดี๋ยวใจก็คิดอย่างฟังข่าวนะฟังไปคิดไปนะ เรารู้เรื่องรู้เรื่องเพราะคิดไม่ใช่รู้เรื่องพอาะดูไม่ได้รู้เรื่องเพราะฟังแต่รู้เรื่องพราะคิดนี่กระบวนการที่ใจเราทํางานแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นใจมันวิ่งซ่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อสแสวงหาอารมณ์ที่ชอบใจแต่อารมณ์นั้นไม่ได้จางใจเราวิ่งไปอารมณ์อื่นวิ่งซ่านไปเลยก็ฟุ้งซ่านวิธีทําให้ใจเลิกฟุ้งซ่าน ก็คือน้อมใจมาอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขเราต้องมาดูตัวเองถ้าเราอยู่กับพุโทโธแล้วมีความสุขเราก็พุโทโธพุโทโธเอาพุโทโธมาให้รางวัลกับจิตให้จิตได้อยู่กับพุโทโธถ้าเราชอบลมหายใจรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็รู้ลมหายใจไปรู้ลมหายใจแล้วจิตมีความสุขในจิตก็อยู่กับลมไม่ต้องบังคับแต่ไม่ไปสุขสนเราปฏิบัติต่ตอจิตเหมือนเราปฏิบัติต่อเด็กสุขสน เด็กซนนี้ออกจากบ้านไปเที่ยวเดี๋ยวก็ปีนหน้าต่างออกไปเดี๋ยววิ่งประตูหน้าเดี๋ยววิ่งประตูหลังเหมือนใจเราเดี๋ยววิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีช่องออกไปหกช่อง้เด็กนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวก็ออกหน้าต่างนั้นเดี๋ยวออกประตูนี้นะวิ่งไปเรื่อยไปหาที่สนวิธีให้เด็กเลิกซนก็หาของที่เด็กชอบมาล่อเด็กคนนี้ชอบกินไอติมเอาไอติมมาตั้งเด็กก็ไม่วิ่งออกจากบ้านเด็กก็อยู่ในบ้านกินไอติม เด็กเด น, นี้ไม่ค่อยออกจากบ้านมีอารมณ์ที่ชอบคือชอบเล่นอินเทอร์เน็ตเาถ้าพ่อผู้ใหญ่เอาอินเทอร์เน็ตมาให้เล่นมันไม่ออกจากบ้านไม่สนไปที่อื่นอยู่ในบ้านจิตนี้ก็เหมือนกันเราหาอารมณ์ที่จิตนี้ชอบใจมาให้จิตมันอยู่พาจิตมันได้อารมณ์ที่ชอบใจแล้วมันเลยไม่สนไปที่อื่นไปห้ามเด็กสนไม่ได้เด็กจะเครียดเอาขนมมาลอ่อแล้วเด็กโอเคเด็กมีความสุขเด็กไม่สน มีความสุขด้วยไม่สนด้วยเราเลือกอารมณ์กรรมฐานที่ใจเราชอบสังเกตตัวเองดูใครพุทโธแล้วมีความสุขก็พุทโธไปเรื่อยๆใครรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็รู้ลมหายใจนะใครดูท้องผองยุบมีความสุขก็ดูท้องผ่องยุบพอจิตใจมันมีความสุขจิตมันจะไม่วิ่งไปที่อื่นมันก็จะอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กเล่นอานาปณสติเนี่ยถ้าอยู่อารมหายใจจิตสบาย เดือนนี้มันสบายอยู่กับอะไรมันก็สบายหมดะนะเ น, นี่ยถ้าเราฝึกไปได้นะทีแรกมันก็อยู่กับลมแล้วสบายอยู่กับอันนี้ไม่สบายอนะไรอย่างเงี้ยใจเราสบายใจเราก็ไม่วิ่งไปที่อื่นสงบโดยที่ไม่ได้บังคับไว้เนี่ยคือเคล็ดลับของการทําสมถะกรรมฐานเอาไว้พักผ่อนหาอารมณ์นะที่ใจเราชอบต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลส ด, ด้วย เช่นด่าคนอื่นแล้วชอบเนี้ยอย่างนี้ไม่เอาใจจะฟุ้งนะหรือเล่นไท่แล้วชอบเนี้ยใจนะเราฟุ้งเร า, า, าเอาอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสเนี่ยพุโทโธลมหายใจอะไรเงี้ยไม่ยั่วกิเลสเราอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขแล้วก็ไม่ยั่วกิเลสไม่ต้องบังคับให้จิตสงบจิตจะสงบของจิตเองจิตไม่ชอบให้ใครบังคับเหมือนเด็กบังคับมากๆเด็กยิ่งดือ้อเราไม่บังคับหรอกแต่ว่ามีของชอบใจมาให้นะ จิตเที่ยวสงบอยู่ในอารมณ์เดียวจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนี่คือหลักของการทำสมำถกรรมฐานนะถ้าทำได้แล้วได้อะไรจิตใจมีเรื่องมีแรงสดชื่นได้พักผ่อนข้อเสียมีไหมมีคนที่ทำสมถามีความสุขแล้วจะไม่ค่อยเจริญวิปัสสนาะในขณะเดียวกันคนไหนเจริญวิปัสสนาแล้วนะจะไม่ค่อยยอมทำสมถะเป็นจุดอ่อนนะจุดอ่อนทั้งสองด้านเลย สงบแล้วไม่ยอมเดินปัญญาเดินปัญญาแล้วไม่ยอมสงบเนี่ยเป็นจุดอ่อนต้องค่อยคอยฝึกเดินปัญญาไปแล้วพอใจเริ่มฟุง้งก็ทำความสงบเข้ามาอย่างนี้ดีที่สุดนะสมาธิชนิดที่หนึ่งเนี่ยนะที่ถูกต้องนะอันแรกเรื่องอารามณูปนิชานสมาธิเห็นผีเห็นสางออกนอกนั้นเป็นมิจฉาสมาธินะไม่มีสติสมาธิที่ใจสงบอยู่ในอารมณ์เดียว เรียกว่าอารามณูปนิชานเป็นสมาธิที่ดีชนิดที่หนึ่งเอาไว้พักผ่อนสมาธิที่ดีชนิดที่สองเรียกลักขณูปนิชานไม่ใช่จิตเป็นหนึ่งไม่ใช่อารมณ์เป็นหนึ่งละคราวนี้จิตเป็นหนึ่งจริงแต่อารมณ์เป็นแสนเป็นล้านอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดจิตเป็นหนึ่งคือเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะคําว่ามีปัสนาวิปัสนาแปลว่าอะไรรู้ไหมีแปลว่าแจ้ง ปัฏนาน่าการเห็นเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเรียกว่าวิปัสนาเนั้นอยู่ที่ใจเราต้องเป็นผู้รู้ผู้เห็นให้ได้แต่ถ้าใจเป็นผู้คิดผู้นึกนะไม่ใช่วิปัสนาอย่างมาคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูนัสุภาไม่ใช่วิปัสนากรรมฐานนะแต่การที่จิตมันไปเห็นร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เป็นเห็นของจริงจิตมันไปรู้ไปเห็นเข้า เมื่อก่อนครูบาอาจารย์ท่านเรียกจิตตัวนี้ว่าจิตผู้รู้นะสมัยก่อนที่หลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์วัดป่าเข้าวัดไหนท่านก็พูดถึงคำ ว, ว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้หลวงปู่ดูลีจิตคือพุทธพุทธะเปลวาะอะไรพุทธะก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกปานนั่นเองจิตนั่นแหละเป็นผู้รู้นี่พวกเราเอาแต่จิตเป็นผู้คิดคิดอย่างเดียวเลยไม่ได้เป็นผู้รู้สัที ดังนั้นเราต้องมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้นะถ้าจิตเป็นผู้รู้ได้แล้วมันจะเห็นอารมณ์เนี่ยผ่านมาสภาวะตอนนั้นมันจะคล้ายๆเรายือนอยู่บนตึกนะหรือว่าบ้านอยู่ข้างถนนเรายือนอยู่ในบ้านมองไปใช้หน้าต่างเห็นถนนเห็นรถวิ่งไปวิ่งมาเห็นคนเดินไปเดินมาทั้งรถยนต์ทั้งคนที่ผ่านไปผ่านมาก็คือตัวอารมณ์ไอ้คนเจ้าของบ้านที่ยืนดูอยู่เนี่ยคือจิตที่ตั้งมั่นอยู่ จิตไม่ได้เคลื่อนไหวจิตเป็นแค่คนดูเห็นอารมณ์นะเคลื่อนไหวผ่านหน้าไปเรื่อยๆเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆเราจะมาฝึกให้ได้จิตตัวนีนะ้เพื่อจะใช้เดินปัญญาการเดินปัญญาก็คือไปยืนอยู่บนบกแล้วเห็นสิ่งทั้งหลายไหลผ่านไปเห็นน้ำไหลผ่านไปเห็นอะไรลอยน้ำมาแล้วก็ไปยืนอยู่ริมถนนเห็นรถผ่านไปผ่านมาเห็นคนผ่านไปผ่านมาเราไม่ไม่ไหลาตามมันไป ก็เลยจะต้องมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้จิตเป็นหนึ่งอารมณ์นับไม่ถ้วนเดี๋ยวก็อารมณ์โน้นเดี๋ยวก็อารมณ์นี้เดี๋ยวก็อารมณ์ดีเดี๋ยวก็อารมณ์ร้ายเดี๋ยวก็อารมณ์สุขเดี๋ยวก็อารมณ์ทุกข์นะไหลไปเรื่อยๆแล้วทายังไงเราจะมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ได้ยังเรามาฝึกจิตให้สงบเนี่ยเราเลือกอารมณ์ที่มีความสุขอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขแล้วสงบแล้วทําไงจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ให้รู้ทันจิตที่ไหลไปคิดเพราะจิตผู้รู้กับจิตผู้คิดนั้นมันตรงข้ามกันเมื่อไหร่จิตไปคิดเมื่อนั้นจิตไม่รู้เมื่อไร่จิตรู้เมื่อนั้นจิตจะไม่คิดเพราะจิตทําหน้าที่ได้คลั่งละอันทําทํางานของมันะรับอารมณ์ได้ครั้งละอันเดียวพอมันไปดูรูปมันก็จะไม่ฟังเสียงมันจะไม่คิดพอมันไปคิดมันจะไม่รู้รูปไม่รู้กลิ่นไม่รู้เสียงไม่รู้รสอะไรเงี้ยหรือว่าขณะที่มันเป็นอกุศลมันก็ไม่เป็นกุศลนะ ขณะที่มันเป็นกุศลมันก็ไม่เป็นอกุศลนะนี่เราค่อยๆสังเกตจิตที่เคลื่อนไปจิตเราจะไหลไปตลอดเวลานะไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไหลไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสนะหาเรื่องราวทางใจพวกเราเคยได้ยินว่าโคจรไหมโคจรดาวมันโคจรหรือเส้นทางโคจรเลยอนไหน โจรแป่ว่าทางไปของวัวทางไปของวัวนะเอา้าตรงน้าไม่ได้แก้งให้ขำเล่นหรอกนะใจเราเหมือนวัววัวตัวนี้โง่เดี๋ยวก็จะจไปทางตาจอไปทางหูนะจรไปทางจมูกทางลิ้นทางกายจรไปหาอะไรไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสงั้นตัวรูปตัวเสียงตัวกลิ่นตัวรสตัวสัมผัสทางกายนะถึงมีชื่อ ภาษาแขกอันนึงนะชื่อโคจรรูปเป็นรูปที่เป็นทางโคจรเป็นทางเที่ยวไปของจิตเห็นไหมจิตเราจะเที่ยวไปเที่ยวไปทางตาทางหูทางจ ม, มกูกทางลิ้นทางกายทางใจเดี๋ยวมันก็วิ่งไปดูเดี๋ยวมันก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวมันก็วิ่งไปคิดเดี๋ยวก็วิ่งไปรู้สึกในร่างกายที่จุดนั้นจุดนีนะ้เนี่ยใจมันโคจรนะโคจร โคจรไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่ใจมันโคจรตลอดเวลาใจมันก็ฟุ้งสนะิใจไม่เป็นผู้รู้หรอกเป็นผู้ท่องเที่ยวไปให้เรารู้ทันเวลาใจมันเคลื่อนแต่ปนี้ถ้าใจไปคิดให้รู้ทันนะใจที่เคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยที่บ่อยที่สุดนะคือเคลื่อนทางใจเคลื่อนทางใจเนี่ยมี2แบบเคลื่อนไปเพ่งกับเคลื่อนไปคิด เวลาเราลงมือปฏิบัติเราส่วนใหญ่จะเคลื่อนไปเพ่งพอไม่ปฏิบัติมันจะหนีไปคิดใจที่หนีไปคิดนี่เกิดบ่อยที่สุดเมื่อเราเอาตัวที่เกิดบ่อยที่สุดนี้มาเรียนรู้ให้คอยรู้ทันใจที่ไหลไปคิดนี่อยู่ๆจะรู้ทันว่าใจไหลไปนีมันต้องมีแลนด์มาร์คมีที่สังเกตงั้นเราลองอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจ แล้วจิตนี้ไปคิดเรารู้ทันลองดูซิจะ ใ, ใ, ใช้พุทโธก็ได้ใช้ลมหายใจก็ได้แล้วถ้าจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นให้รู้ว่ามันหนีไปหรือถ้าจิตหนีไปอยู่กับลมหายใจนะก็ให้รู้ว่าจิตมันเคลื่อนไปเหมือนกันเคลื่อนไปคิดก็ได้เคลื่อนไปเพ่งลมหายใจก็ได้มีคนก็เคลื่อนไปอยู่ที่ท้องนี่ให้คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะอย่าไปห้ามเคลื่อนถ้าห้ามเคลื่อนจิตจะเครียด ให้รู้ทันว่ามันเคลื่อนทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันว่าจิตเคลื่อนอา้าวทำไปบางคนบอกไม่เคลื่อนเพราะจิตไปอยู่ที่ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมหายใจก็คือเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจ เ, เคลื่อนเรียบร้อยแล้วพอเห็นไหม อ, อ้าวพอลืมตายิ้มหวานหวานใครรู้สึกซึมบ้างแสดงว่าสมาธิที่ทำเมื่อกี้ประกอบด้วยโมหะ ยังเป็นสมาธิที่ไม่ดีหรอกสมาธิที่ดีไม่ประกอบด้วยโมหะไม่ซึมหรอก <Yeah. S 1> จะเข้าจะออกไม่ซึม <Yeah. S 1> ไม่มีซึม <Yeah. S 1> ค่อยฝึกค่อยซ้อมบ่อยๆนะในสุดใจจะได้สมาธิที่ดีวิธีฝึกสมาธิที่ดีไม่ใช่ฝึกให้ใจนิ่งอยู่ในโรมันเดียวอ้นั้นเป็นสมถะวิธีฝึกสมาธิที่ดีคือฝึกให้ใจเนี้ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน พวกเราคนไหนเคยได้ยินชื่อหรือเคยรู้จักคุณแม่จันดีไหมคุณแม่จันดีเป็นน้องหลวงตามหาบัวนะหลวงตารับรองเลยว่าพ้นทุกพนร้อนมาแนละ้วคุณแม่จันดีนะหลวงพ่อเคยไปเยี่ยมท่านให้ไปเยี่ยมไม่รู้จักท่านนะทีแรกท่านไม่สบายเข้าโรงพยาบาลไปเยี่ยมท่านเจอหน้าหลวงพ่อท่านก็ชวนคุยธรรมะท่านอาจารย์ ถ้าอาจารย์ปฏิบัติยังไงจิตมาลงที่เดียวกันธรรมาเขาบอกว่าบอกอาตมารู้ลมหายใจตั้งแต่เด็กหายใจนะพอลมมันสงบนะลมมันตื้นตื้น ต, นต้นมาอยู่ที่จมูกกลายเป็นแสงพอกลายเป็นแสงสว่างอยู่ตรงปลายจมูกเนี่ยแล้วจิตเคลื่อนในคอยรู้ จิตเคลื่อนนะ่ะแต่มารู้ทุกทีเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เหมือนที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ยจิตเคลื่อนเรารู้ในส่วนจะได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็เอาไปเทินปัญญาต่ตอท่านบอกถ้างั้นก็อันเดียวกันแต่ว่าท่านไม่ได้ใช้ลมหายใจหลวงตามหาบัวให้ท่านพุทโธ ท, ท่านพุทโธ ท, ท่านกําหนดจิตอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะอยู่ที่ปลายจมูกนี่เหมือนกาหนดจิตไปสบายๆนะอย่าไปเคร่งเคียดเงี้ย น, นะ อย่างนี้ปวดตาตายเลยนะรู้สึกสบายๆอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยพุโทโธพุโทโธจิตเคลื่อนเรารู้อันไหนที่เหมือนกับหลวงพ่อจิตเคลื่อนเรารู้ใช่ไหมไม่ใช่อยู่ที่จมูกหรอกนะตัวที่เหมือนกันคือจิตเคลื่อนเรารู้งั้นตัวที่จิตเคลื่อนแล้เรารู้นี่แหละจะทําให้เราได้จิตที่ตั้งมั่นเราจะได้ต้นทางคือเอาได้จิตที่มีสมาธิเอาไปเดินตัญญาได้งั้นพวกเราต้องซ้อมนะพวก ชาวพุทธทั้งหลายอาภัพยอย่างแรงเลยพวกหนึ่งทำสมาธิแต่เป็นมิจฉาสมาธิหรือเป็นสมาสมาธิก็เป็นสมาธิชนิดสงบอยู่เฉยๆสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นหาตัวแทบไม่ได้เลยถึงจเจริญปัญญาไม่ได้จริงอีกพวกหนึ่งเาก็จะทําวิปัสสนาไม่ได้มีจิตที่สมควรากับการวิปัสสนาเลยไม่ได้มีจิตที่เป็นผู้รู้เลยจะไม่สามารถแยกรูปนามได้จริง จะแยกได้แต่รูปกับรูปนะอะไรเงี้ยเช่นเห็นท้องพองอ้อนหนึ่งท้องยุบอันหนึ่งท้องพองอันหนึ่งท้องยุบอันหนึ่งไม่ใช่แยกรูปน้ําแต่เป็นแยกรูปกับรูปแยกรูปกับน้ำก็คือเห็นร่างกายเป็นพองร่างกายเป็นยุบใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนี่แยกรูปแยกรูปได้หรือแยกขันออกไปนะสุขทุกข์ดีชั่วแยกออกไปใจเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่สุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่ใจจะค่อยๆฝึกนะ เราไม่ได้สมาธิที่ถูกต้องแล้วเราอวดไปเดินปัญญามันเดินไม่ได้หรือไปทำมิจฉาสมาธิยิ่งไม่เดินปัญญาเลยไม่ใช่ทางที่พระเจ้าบอกไม่ใช่ทางนี่คือหลักสูตรเรื่องจิตสิกขานะจำได้ไหมศีลสิกขาเนี่ยเราคอยรู้ทันกิเลสกิเลสอะไรเกิดเรารู้ทันนะกิเลสดับศีลจะเกิดจิตสิกขาเนี่ยเรียนเรื่องสมาธิที่ถูกมีสองอัน อันนึงเอาไว้พักผ่อนะเราก็เลือกดูว่าเราอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นไปสบายๆอย่าอยากมีความสุขอย่าอยากมีความสงบนะมันสงบของมันเองนะอย่างหลวงพ่อรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขรู้ลมหายใจใจก็สงบนะสมาธิอีกชนิดหนึ่งจะฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้เรียกว่าลักขณูปนิชานจะเห็นลักขณะลักขณะคือลักษณะนั่นเองคือเราจะเห็นไตรลักษ เป็นสมาธิที่เห็นไตรลักษ์ได้จิตจะเป็นคนดูแล้วถึงจะเห็นรูปนามแสดงไตรลักษ์สมาธิชนิดนี้ฝึกโดยการทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาอย่าไปบังคับจิตนะให้จิมเคลื่อนไปแล้วเรารู้เคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้อย่าไปห้ามเคลื่อนถ้าห้ามเคลื่อนแล้วอึอดอัดพอจําได้ไหมวันนี้เรียนไป3าอันแล้วนะวิธีให้มีสีนี่ก็คือรู้ทันกิเลสเนื้อสีมาเอง วิธีให้มีสมาธิชนิดที่หนึ่งสงบอยู่ในอารมณ์เดียวก็หาอารมณ์ที่มีความสุขมาเอาสติไปกําหนดไปรู้สบายๆที่อารมณ์นั้นแล้วจิตสงบเองศีลก็มาเองตรงที่เรารู้ทันกิเลสศีลมาเองจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขความสงบก็เกิดขึ้นเองสมาธิมาเองสมาธิที่จิตตั้งมั่นก็มาเองเหมือนกันแต่มาด้วยการที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาอย่าไปบังคับนะ ศีนก็เป็นเองนะอารามาโนปนิชฌานก็มาเองลักคนูปนิชฌานก็มาเองต้องฝึกจนทุกอย่างมาเองมาอัตโนมัติด้วยไม่ได้เจตนาให้มาก็มาถ้าเราฝึกได้ถึงขั้นนี้นะแล้วจเจริญปัญญาจนปัญญาอัตโนมัติเกิดนะโอกาสที่จะเกิดมรรคผลถึงจะเกิดขึ้นนะถ้ายัางต้องคอยกําหนดก็อะไรต่ออะไรยังไม่มรรคผลเราอีกไกลนะแล้ค่อยฝึกตามที่หลวงพ่อบอกนี้นะแล้วไม่นานอกใจเราก็จะพัฒนาขึ้น วันนี้เรียนแค่เรื่องศีลสิกขาจิตตะศิขาพอละนะแล้วไปซ้อมเอาอย่าเรียนแล้วฟังเล่นเลนแล้วเลิกไปเลยนะวันนี้ลองไปซอ้อมเรื่องศีลสศิขาจิตตะศิขารู้ทันจิตไปกิเลสเกิดรู้ทันนะจิตเคลื่อนไปเคลื่อนมารู้ทันนะถ้ารู้จนเหนื่อยแล้วก็ให้จิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขจิตได้พักผ่อนหายเหนื่อยแล้วก็มาดูกิเลสดูจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาอีก ฝึก อ, อย่างนี้เรื่อๆนะลองดูวันนี้แล้วพรุ่งนี้มาเรียนเรื่องปัญญาสิกขานะเอา้าใครจะส่งกันบ้านว่ามากลับนมัสการค่ะหลวงพ่ อ, อ, อวันนี้รู้สึกว่าจิตมีสมาธิมากขึ้นนะคะเพราะว่าจิตมันรู้ว่ามันมีความสุขรู้ว่าจะได้กลับว่านะคะนี่ไงเห็นไหมความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเห็นไหมมาอยู่วัดอ๋กลุ้มใจกลัวผีกลัวสางกลัวโ น, น้นกลัวนี้กลัวร้อนกลัวหนาวกลัวอด รูปใจไม่สงบโอ้วันนี้จะได้กลับบ้านใจสงบเลยเพราะมีความสุ ข, ข น, นี่แหละอาพี่ธรรมถึงสอนนะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิหลวงพ่อถึงบอกต้องเรื่องอารมณ์ที่มีความสุขเลยะแต่ถ้าเล่นหวยแล้วมีความสุขไม่เอานะ่งนั้นไม่สงบอนะ่ะต้องอารมณ์ที่เป็นกุศลเอาว่ามาค่ะแล้วก็ ช่วงช่วงสองวันแรกมันค่อนข้างจะฟูงนะคะยกไม่สูงสงช่วงสองวันแรกค่อนข้างจะฟูงนะคะหลวงพ่อก็บอกว่าให้หนูมาขยับร่างกายดูนะคะหนูก็พยายามเปลี่ยนมาเดินมาอะไรตรงนี้ค่ะแต่ตอนช่วงที่เดินเนี้ยมันก็รู้สึกว่ามันหงุดหงิดก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เพราะว่าคือหนูพยายามเหมือนเหมือนเหมือนอยากจะให้มันเห็นว่ากายมันเดินไงค่ะให้มันรู้แต่มันไม่รู้ พอไม่รู้ปุ๊บมันก็มีความรู้สึกว่ามันมันไม่เห็นอะไรอะคะ่ะ hmm. แล้วก็เลยกลับมานั่งใหม่กลับมานั่งสมาธิใหม่พอคราวนี้หนูกลับมานั่งสมาธิเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันสว่างนะคะเป็นแค่ความสว่างแต่ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นแสงนะคะเป็นความสว่างแล้วก็มันจะดูเหมือนนิ่งๆแล้วก็เวลามีมีเสียงอะไรมากระทบนะคะมันจะเหมือนกับมันไม่ได้เข้ามาคือมัน ความแรงกระทบของมันมันน้อยมันเบาค่ะมันไม่ได้เข้ามาถึงใจมันเหมือนมันแค่อรถวิ่งผ่านก็รู้ว่ารถวิ่งผ่านแต่ว่า ม, มันก็ไม่ได้เข้ามาถึงใจนะคะหลวงพ่อหนูก็เลยเริ่มใช้ใชความคิดเข้ามาช่วยในเรื่องของออลองดูกายนะคะว่า อ, อ, อย่างเช่นลมหายใจลมา ห, าหายใจเข้าไปเนี่ยมันเป็นท่าลมคือเริ่มเริ่มใ ช, ใช้ความคิดเข้ามาช่วยอพอจังหวะนั้นเนี่ย มีเสียงรถผ่าหรือเสียงชิงจกร้องเนี่ยหนูก็จะสังเกตว่าแรงที่เข้ามากระทบอารมณ์ช่วงนั้นมันจะเห็นได้ชัดขึ้นอดีแล้วถ้าเราไปอยู่ว่างสว่างนะอะไรมากระทบก็เฉย น, นะอันนั้นติดสมถะอยู่เราเอาไว้พักผ่อนพอมีแรงแล้วถอยออกมาให้มันกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยใจมันจะไหวแล้วก็ในช่วงช่วงที่หนูพยายามใช้ความคิดเข้ามาช่วยอยู่นั้นนะคะอยู่ๆมันก็ เกิดคราวนี้หนูเห็นสีเห็นสีจริงๆนะค ะ, ะเห็นผีเห็นสีค่ะอะเห็นสีขึ้นมาแต่ว่าแต่ว่าคราวนี้คือหนูก็รู้เหมือนเหมือนมันบางสากแต่ว่าเห็นว่ามันเป็นสีแต่หนูไม่ได้ไปสนใจมันแล้วก็ออกจากสมาธิตอนนั้นนะคะพยายามรู้สึกอยู่กับปัจจุบันเยอะๆนะถ้าดูความรู้สึกได้ก็รู้เห็นความรู้สึกเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไป ถ้าดูความรู้สึกไม่ออกก็ดูล่างกายเคลื่อนไหวเปลีป่ยนแปลงไปนะไปทำนะชีวิตจะได้มีความสุขมันก็ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมค่ะห้ามไม่ได้หรอกก็ช่วงแรกมาจะกดอะคพอปล่อยปล่อยแล้วก็จะเห็นแบบเหมือนขออนุญาตค่ะเหมือนตัวกูก็จะโผล่เยอะมากค่ะแล้วแหละ<อ>ดีตัวจริงมันโฟล ขันมันเริ่มแยกแล้วกายกับใจมันเริ่มแยกความรู้สึกต่างๆเริ่มแยกออกไปรู้สึกไหมค่ะแต่เหมือนช่วงเมื่อกี้ยังเหมือนมันมีโมหะค่ะยู่เหมือนรู้สึกตัวอยู่ข้างนอกกันใช่ไหให้รู้ว่าออกนอกอยูนะ่ถ้าออกนอกแล้วเรารู้มันก็เข้ามาเองถ้ามันไม่ยอมเข้ามาเราก็กลับมารู้สึกที่ร่างกายนะนมัสการค่ะหลวงพ่อหนูสองวันแรกหนูก็เหมือนพบ ภาคนักปฏิบัติเข้ามาค่ะมันก็จะกดแล้วก็ควบคุมไปดักดูไม่ไม่ใช่ตัวจริงเลยค่ะแล้วก็แกล้เป็นแกล้งเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเช้าวันพุธหลังสวดมนต์ธรวัตเช้าเสร็จ่ะคะมันก็เหมือนสบายใจขึ้นนะคะมันก็เห็นว่ามีผู้รู้แยกออกมาเห็นตัวกําลังนั่งนั่งกอดเข่าอยู่ค่ะแต่ว่าหนูมีสองเรื่องจะเรียนปรึกษาหลวงพ่อก็คือ ปกติหนูจะเดินทรงกลมแล้วก็ใจเป็นคนดูไกลที่ขยับค่ะอยู่ดีๆพอเดินไปสักพักเนี่ยมันมันไปดูที่ลมหายใจแล้วก็มันไม่ยอมปล่อยจากลมหายใจแต่ว่าหนูมีความรู้สึกว่าจิตหนูมันทุกข์มากที่ทําไมมันต้องไปอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะมันไม่ยอมรับมันก็อึดอัดจนต้องไปนั่งร้องไห้เหมือนแบบมันไม่รู้จะทํายังไงต่อมันเริ่มตกใจแล้วว่าจิตเนี้ยไม่อยู่ในอานาจเป็นของที่สั่งไม่ได้ มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเราสั่งมันไม่ได้เนี่ใจยังยอมรับความจริงตรงนี้ไม่ได้แล้วคิดว่าเนี่ยตัวเราของเราแท้ๆมาถึงจุดที่ภาวนาไปเห็นว่าไม่ใช่เราหรอกเราสั่งมันไม่ได้นะใจมันยังรับไม่ไหวแต่อีกหน่อยก็ไหวค่ะหนูก็เลยไปดัดแปลงมันหรือเปล่าหนูก็เลยว่าสงสัยเป็นเพราะว่าหนูบังคับอะไรหรือเปล่าหนูเลยหรือเปลไม่ได้บังคับหรอกมันเป็นอย่างนั้นมันสะเทือนใจอมันสะเทือนใจตรงที่ว่าโอ้ตัวเรา ไม่ได้เป็นตัวเราอย่างที่คิดหรอกแต่มันยังไม่แปลเป็นภาษาอย่างนี้ตัวนึงค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึ่งค่ะหลวงพ่อหนูขอคำแนะนำจริงๆเลยนะคะหลวงพ่อเพื่อการปฏิบัติต่อจริงๆอะไรอ่ะที่พูดมาแต่เช้าจริงทุกเรื่องเลยไม่มีเรื่องหลอกสักเรื่องที่ที่จะไปทำข้างนอกต่อค่ะหนูค่อยดูหมูกระดาษไว้นะตัวปลอมอ่ะมันจะมีอยู่เรื่อยๆค่อยดูไว้ แต่ไม่ใช่ไม่มีนะอยู่ในโลกในสังคมมันก็ต้องแสดงบทบาทอย่างสมมติบทบาทของแม่เป็นอย่างนี้บทบาทของลูกเป็นงนี้บทบาทของลูกน้องเป็นอย่างนี้นะบทบาทเจ้านายเป็นยงนต้องเล่นนะเล่นแต่รู้ว่าเล่นอยู่นี่คนทั่วไปมันนึกว่าไอ้ที่เล่นเล่นนั้นเป็นของจริง ม, มันโง่ตรงนั้นแหละเราก็ต้องเล่นให้เป็นเล่นไม่เป็นก็แย่นะเพราะฉนั้น<ๆ>ไม่ใช่ว่าให้รู้ทัน ไม่ไม่ดัดแปลงแล้วก็เล่นอะไรไม่เป็นไม่ใช่อยู่กับโลกยากอยู่กับโลกต้องรู้จักมันค่ะมาอยู่วัดก็สับสับปายะมากค่ะจิตรู้ตื่นเบิกตาลเห็นสภาวะได้ต่อเนื่องชัดเจนดีค่ะรุ่นนี้ดีนะเห็นแต่รูปนามเห็นสภาวะเห็นไม่ใช่ตัวเราเห็นตัวปลอมอะไรอย่างเงี้ย บางรุ่นเล่าแต่เรื่องผีไม่เล่าผีก็เล่าเรื่องตุกแกวันนี้ใครยังมาอยู่วัดมีไหมมีเข้าใหม่ทีมหนึ่งใช่ไหมถ้าไม่กลัวไม่เป็นไรถ้ากลัวแล้วได้ดูนะได้ดูจะเห็นความรู้สึกนนะยิ่งค่ำลงนะโอ้ความรู้สึกละหมุนจีเลยตอนยังสว่างอยู่ไม่มีอะไรน่ากลัวต้นไม้แต่ละต้นสวยงามพอมืดๆเนี่นะอะไรๆก็น่ากลัวไปหมดเลย ดูค่อยดูไว้ให้ดีนะเนี่ยเป็นการหางานให้ทํำเลยางานเดี๋ยวเราจะได้ภาวนาโอ้ยกระชับกระเฉงนะหลวงพ่อเคยเป็นนะสมัยไปอยู่ป่าอยู่เลยภาวนาบางที่มันน่ากลัวจริงๆที่ที่มันน่ากลัวนั้เราภาวนาคึกคักทั้งคืนเลย <laughs> มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง <laughs> เอาว่ามา ว, วิธีการปฏิบัติลูกก็จะดูทั้งกายดูทั้งจิตค่ะก็จะบางครั้งก็จะเห็นร่างกายเนี่ยเขานั่งหายใจเขานั่งสมาธิอเงี้ยค่ะบางทีจิตก็มาระลึกรู้ที่กายค่ะบางทีจิตก็เผลอไปอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนี้ลูกก็ดูจิตด้วยค่ะจากการที่มีเสียงมากระทบที่หูค่ะ ก็จะเห็นอาการไหวไหวที่กลางอกององชัดเจนเราจะรู้สึกได้เลยว่าจิตเขาทํางานตามเหตุปัจจัยที่มากระทบจิตกับ เ, <อ>เราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกัน เ, <อ>เป็นอิสระจากกั น, ออน้นัมีอยู่หลายมีอยู่ประมาณสองสาครั้งก่อนที่จะมาวัดนะคะในขณะที่กําลังเห็นจิตเขาไหวไหวอย่างชัดเจนอยู่ๆก็มันเกิดภาวะที่เงียบสงบ สงัดสว่างคะ่ะแล้วก็เกิดเศร้าคะ่ะน้ำตาซึมทีนี้หลวงพ่อบอกว่าอย่างนี้หมายถึงจิตไม่เป็นกลางต่อสภาวะห้าไม่ได้น ะ, <ค>ะมันไปรู้ไปเห็นอะไรแล้วมันเป็นยังไงให้รู้ไป <คะ S 2> เราสั่งไม่ได้หรอกลูกก็เลยรู้ทันอีกครั้งว่าความเศร้าก็เป็นของที่ถูกรู้ใช่ <คะ S 2> ใช่ <คะ S 2> รู้ไปไงั้นนะค่อยๆแยกแยกไปเรื่อยจนมันพอ มันพอตรงที่มันเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับตรนั้นมันพอตอนนี้เรายังพอใจอันนี้ไม่พอใจอันนี้รู้ไปได้ได้ดีแล้วลาภาวนาใช้ได้กลับขอบพระคุณค่ะกลับหลวงพ่อครับพอดีช่วง2เดือนนี้ผมธรรมดาผมเดินโยกมแล้วก็บริกรรมช่วงที่ผมเปลี่ยนเป็นละเอเมตตาคุณดังคละหังเมตตาเราช่วงสองเดือนเนี้ยบริกรรมเอภาวนาดีมากจิตนี้แบบเรื่องโทรศเรื่องอะไรเนี่ย คลายหมดเมื่อช่วงสองวันนี้อยู่ๆก็อึดอัดตลอดไม่รู้ทํำยังไงผมเอ๊ะทำยังไงทําอะไรไม่ได้เพราะจิตมีความทุกข์ธรรมดาเนี่ยถ้าบริกรรมมันจะมีความสุขสามารถพังานานได้ตลอดอผมก็เอ๊ะไม่รู้ทําอะไรผมก็เลยลองกลับไปที่เคยทําบริกรม ร, กรมเก่าก็คืออิติปิโสกับแผ่เมตตาก็ค่อยๆคลายบ้างแต่ก็ยังไม่หายแต่บางทีตอนที่นั่งฟังพ่ะที่ผมก็มากับเมตตาคุณหสั่งเมตตาต่อกลับหายกลับปกติแล้วครับอาจารย์หลวงพ่อเราสั่งไม่ได้หรอก นะบางทีเขาก็สอนธรรมะเรานะสอนให้เห็นไตรลักษนณะ์น่ยเรานึกว่าเราทำแล้วจะดีขึ้นดีขึ้นอยู่ๆเสื่อมไปเฉยๆเลยนั่นแหะดีแล้วค ร, นะครูบาอาจารย์สอนมานะการปฏิบัติเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมภาวนาแล้วเจริญลูกเดียวเนี่ยจะกลายเป็นกูเก่งไปครับนี่เขาสอนมวยให้ดูนะแกสบายนักเลยออยู่ๆแกจะไม่สบายซะเฉยๆครับนี่เราตกใจว่า สภาวะนี้เกิดเราจะแก้อย่างไ ร, รไม่ต้องแก้่หรอกรู้อย่างที่มันเป็นครับผมก็บริกรรม ด, ดังเดิมต่อได้อะไรก็ได้อะไรบริกรรมอะไรก็ได้แต่บริกรรมเมตตานะมันปลอดภัยดีครับเหมาะกับยุคนี้นะยุคนี้ไม่ค่อยปลอดภัยขอบคุณครับเพื่อเจ้าท่านสอนนะเจริญเมตตานะไม่ตายด้วยสตร์อาวุธยาพิษไม่ตายด้วยไฟด้วยเลยช่วงนี้อยู่ๆสัตร์อาวุธก็ลอยมา ทีรถจอดอยู่ก็บุ้มขึ้นมาอนะไรเงี้ยเราเจริญเมตตาไว้น้มสักการค่ะหลวงพ่อคือเริ่มปฏิบัติต่อเนื่องมาประมาณสองเดือนค่ะทีนี้เนี่ยตอนแรกๆที่ปฏิบัติเนี่ยนั่งสมาธิแล้วจะรู้สึกว่าซึมกลับ <laughs> ก็เลยเดินจงกรมเอาค่ะแต่ว่าเวลาเดินเนี่ยจะจะรู้สึกว่าคือหนูไม่แน่ใจว่ามันคือการรู้หรือว่ามันคือการเพ่ง เพราะว่ามันจะจิตมันจะวารวารอย่างเงี้ยค่ะแวบแวบแล้วบางทีมันก็ตื่นเต้นตื่นเต้นจนเหมือนแบบใจเต้นตื่นเต้นมากๆอะค่ะเหมือนเหมือนกํลาลังตกใจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่มั่นใจว่าสภาวะตรงนี้ที่เกิดขึ้นมันเป็นมันเป็นเองหรือมันเป็นเป็นเองไม่เป็นไรหนูเข้าใจว่ามันเป็นเองเราถ้าเพ่งๆไปบางทีก็เกิดอาการแปลกๆนะ mm hmm. เพ่งมากๆเข้าเกิดสารพัดจะเป็น เข้าใจว่าตัวเองคงเป็นกลางมากขึ้นจ้ะค่ะเห็นในมุมของการไหลมาไหลไปแต่เวลาที่เห็นมุมนั้นน่ะคือเห็นเห็นอนิจจังค่ะมาแล้วไปมาแล้วไปเจ้าค่ะก็เหมือนหมูกระดาษที่หลวงพ่อเพิ่งเมตตาเทศเจ้าค่ะเหมือนเป็นการที่เราต้องรู้ว่าบทบาทของเราทําอะไรอเจ้าค่ะเราก็ต้องเล่นนะอยู่กับโลกเจ้าค่ะอย่างเราเป็นคนมากน้อยสันโดษเราจะไปเจรจาธุรกิจนะ นุ่งผ้าถุงไปเงี้ยปากเขียวอือเลยงนะี้ยเขคงไม่อยากเจรจานะหา ก, กินยากแล้วก็แต่งตัวสวยๆปเป็นเจรจาแต่ใจเรารู้ใจเรารู้ตัวจริงของเราไปได้วยจะค่ะเชิญตอนนี้ทําในรูปแบบมากขึ้นเจ้าคะ่ะ<ม>คิดว่าตอนแรกน่าจะดีขึ้นเท้านี้ไม่ใช่เจ้าคะ่ะ<ม>เพราะว่ามันผิดศีลโอคือศีลมันพร่องตอนเช้าหนูก็เลยคิดว่าที่ทํามามันน่าจะผิดหรือเปล่าคะฮะ ไม่จําเป็นหรอกบางคนนะทําสมถะเพ่งไว้อย่างเดียวเลยไม่ผิดศีลเลยนะเพราะว่ามันนิ่งไปหมดเลยอะไรก็จะไปผิดเหรอกิเลสมันมาไม่ได้มันมาไม่ได้เพราะการเพ่งเอาไว้พอเราเลิกเพ่งนะกิเลสเข้ามาถ้าสติเราทันเราก็ไม่ผิดศีลสติไม่ทันมีโอกาสผิดศีลงั้ น, น ค, คนที่ไม่ผิดศีลเลยนะอาจจะไม่ดีก็ได้นะ จ, จะติดสมถะอยู่ก็ได้ออืแสดงว่าให้ทําในรูปแบบแบบเดิมนี้ได้ใ ช, ใช่ไหมใช่ได้ เพราะว่าช่วงนี้คือมันมีความเพียรมากขึ้นเจ้าค่ะคือใช้วินัยมาจัดการกับตัวเองแต่ว่ากลัวว่าไอ้ที่ฝึกคือนั่งสมาธิไม่เก่งแล้วก็เลยพยายามฝึกไปเรื่อยๆค่ะแสดงว่าไอ้แบบนี้ก็ให้ทำต่อได้ทำได้ทาได้น ะ, ะอขอบพระคุณเจ้าค่ะอา้าวเชิญกลับบ้าน